251เวลาผ่านไปเร็วมากแต่ก่อนสาราอย่างนี้ยังมีนะแต่ที่จริงเนี่ยถึงแม้ว่าครั้งแรกก็สุดท้ายเมื่อ8ปีที่แล้วนะแต่ว่าธรรมยาตาก็เดินผ่านบ้านคุงโงงนี่โอ้ยเป็น10ครั้งแล้วนะตั้งแต่ปีแรกปี43นะ16ปีที่แล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องถ้าไม่อผ่าน บาุโงกแล้วก็ต่อไปอชัยภูมิหรือว่าใ่้ยิงงอนมะก็ต้องเดินจากท่ย้ยิโงมเนี่ยผ่านกุนงกเพื่อที่จะต่อไปตาคู่ทองหรือไม่ก็คู่ลงเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีเนะี่ยน้อยมากนะที่ว่าจะมีบางปีที่ไม่ได้่าน บ้านบางบ้านเป็นของงเราเพราะฉะนั้นธรรมญาตาคืออะไรชาวบ้านก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะเรามาเดิน เ, เพื่อมาชักชวนผู้คนให้ทำบุณทําบุญเดยเราต้องใช้เงินก็ต้องสร้างหัวสร้างวิหารก็ได้แต่ทําด้วยการปลูกต้นไม้บุญชนิดนิดทำได้ตลอดทังปีทําที่ไร่ที่นาก็ได้ เรามีเวลามาทำไว้ก็ไปทําที่ไรเ่เจ้าของนานเจ้าของปลูกต้นไม้เอาไว้รักษาหน้าดินดูแ ล, ลํล้วยลําธารอย่าทิ้สิ่งสกปรกสารเข้มดีลงไปปลูกต้นไม้ริมตะลิ่งรักษารหน้าดินเอาไว้นะไม่ให้ไม่ให้น้ําบรญชาดินลงทําให้ลำไยลาําธารตื้นเกินธรรมยาต า, า, าก็มาเนี่ยเพื่อมาชักชวนนี่แหละ ให้ทำสิ่งดี่เป็นการทำกิจกรรมในพุทธศาสนาชาวบ้านเราก็ก็ช่วยกันรักษาธรรมชาตินี้นะพื้นที่หลังวัดนี่ก็กลายเป็นป่าไปแล้วต่ก่อนก็เป็นไร่มันรนี้ก็เป็นป่าไปแล้วพอช่วยกับทางวัดเนี่ยปูกต้นไม้ขึ้นมาบ้านเราตะกอนนี่ก็อาศัยน้ำรำกะทานะแต่เดี๋ยวนี้เราก็อาศัยรถ อาศัยสมบูแทนแต่ว่ารับประทานก็อย่ามองข้ามนะรักษาเอาไว้เพราะว่าเป็นแหล่งนะ้นะให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยฟูฟ้าก็ได้อาศัยเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยทีนี้ก็เริ่มต้นเดินนะที่ตาคู่ตาดิทอผนะู้หลง เมื่อนี้เป็นว่อที่สองเพนก็จะไปที่บ้านป่าข้างนึง น, นะถ้ามาไฟแล้วก็ไปตั้งแรมที่บ้านโปรดชาแล้ะทางก็สิบกว่ากิโลแล้วจะไปสิ้นสุนเอวันที่แปดธันวานะแปดธันวาที่ปากตกนะจั้จ ก, ก็ปากตกเอย ปัจจบนื à, ่อแกปาขงนะแต่เราขุดโล่ี่ขุดงออำเภอเมืองนะมีหลายขุดงองนะดงองแจ้งครอนีคนเรารู้จักกันดีแต่ขุดงอที่อำเภอเมืองอันนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีใบเสร็จมาอายุพันสองรปีแสดงให้เห็นว่า คนพิสายก็มีอรรารยธรรมที่รุกเดินมาชาตินาพันสองร้ปีนะก่อนเกิดสิโปไทยก่อนจะมีอุทยานินเนี่ยพันสองร้ปีที่แล้วเลยเวรลุกนงามลำปางปานี่ก็เป็นแหล่งอรรารยธรรมนะประจวาคุ้งตื้อก็อยู่ ใ, ใกล้ๆนะกับลํำปางคูพระรนะพวกนี้เนะ่ยเป็นแหล่งอรรารยธรรมพันกว่าปีที่แล้ว พันสองร้อยสามพันสารอยปีก็เรียกว่าสมัยทวาราวดีสมัยทวาราวดีมีดับท้าต้องกดที่บ้านกุดงงนะครบเมืองใบเสมาโอ้หลายแทนแล้วคนสมัยก่อนนี่เ็าก็อาศัยลำา้้ยลำล ำ, ลำน้านี่แหละนะเป็นที่ตั้งถิ่นฐานแที่พวกเรามาสร้างบ้านกุดงงงเนี่ยก็เพราะมันมีลำปะทาว เหมือนกับท่าเวอร mm hmm. มอนกับท่าทางเกวียน mm hmm. เหมือนกัท่ามาไฟแต่สมัยนี้รถมนนันมีความสำคัญกว่าเรือผู้คนก็นบปลนแปสร้างบ้านแปลงเมืองกันริมทางริมถนนตรงไหนมีถนนตรงนั้นก็มีบ้านเรือนมีผู้คนสมัยก่อนนี่ตรงไหนมีน้ำก็จะมีผู้คนเป็นอย่างนี้มาเป็นหมื่นปีแล้ว ตั้ง ร, รงกรากปรมาณสอสองสามหมื่น 3, 2, 3, ปีที่แล้วนี่ก็อยู่ดิมน้ำนี่แหละนะบางพวกหวกลุของเราเหมือนกันนะก็มาสร้างบ้านแปลงเมือ ง, งกันแขวยืมนลบปะทาวสมัยก่อนลำปะทานี่เป็นแม่น้ำใหญ่เอ็นก็เลยมีเมืองบริเวณที่จะไปฝนตกกับแม่น้ำสีนะก็มีเมือง ก็เป็นคนที่ใหญ่นสมัยก่อนจึงมีการทำใบเสียมาใหญ่สูงท่ววหัวพันสองร้ปีที่แล้วพรเจงโอเครลงเือนกันนะั่นเราภูมิใจว่าราบรรทันี่ก็เป็นแหล่งอริยธรรมมีน้ำก็มีคนมีคนก็มีเมืองมีเมืองก็มีอริยธรรมมีศิลปะมีวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าสมัยนี้เนี่ยลำน้ำมันจะเหมือนความมันมีความสัมพันธ์น้อยลงสนุนมาแทนที่นะก็อย่าทิ้งนะรามวยลำน้นสร้างเอาไว้ดูแลรักษาเอาไว้ก็วกเราชาวธรรมยาตานี้ก็มากันหลายที่หลายทางมาก็ก็เพื่อมาเชิญชวนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาน้า แล้วก็เป็นการประกอบปฏิบัติทําไปในตัวด้วยพวกเราไกรที่ว่างนะถ้าไม่มีการมีการอะไรไม่ไปเกี่ยวข้าวที่ไหนก็เดินไปส่งก็ได้นะไปส่งถึงท่ามาไฟหวานหรือจะต่อไปถึงบ้านปู่ช้างก็ได้นะระทางก็ไมได้ไกลเท่าไหร่บ้านเรานี่ขยันเดินกันอยู่แล้วนะจากที่เดินไปปูหลง ก็เดินกันไปบ่อยๆสมัยที่ยังไม่มีรถไม่มีลาพอมีรถมีลาก็สะดวกขึ้นทางก็ดูไกลแต่นี่จริงก็ยังเหมือนเดิมแตบบ่ปีนี้ก็มีชาวต่างชาติมาด้วกันนะหลายประเทศนะจีนก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยก็มาจากหลายที่หลายทางทั่วประเทศพรุ่งนี้ก็จะมากันอีกหลายก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ วันลืนี้ก็เป็นวันจุดวันที่ห้าก็จะมากันหลายอารมณ์ทานเดี๋นี้นะก็เป็นที่รักกันมากขึ้นเพราะว่าผู้ปนย่อมาเดินทางมาก็มาสัมผัสรนะาเดินธรรมย่าตรามาปูกป่าก็คือเห็นอามป่าทาตอนก่อนไม่เคยได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินชื่อไม่ใช่แค่ได้ยินชื่อแต่ว่าได้ไปเห็น เสีด้ที่เมื่อวานนี้เนี่ยมาถึงบ้านดึกโมงช้าไปหน่อยนะไม่ไงั้นก็จะพาคนไปสำรวจนา้าสำรวจนา้าสำรวจด้วยการมาดูว่ามีสัว์เล็กสักน้อยมีแมลงมากน้อยแค่ไหนแมลงบางตัวนี่ถ้ามีก็แสดงว่าน้า ม, มันเสียแล้วบางตัวถ้ามีแสดงว่ายังนา้ายังดีก็มันก็ป่านะป่าไหนเนี่ยยันยังมี นกกระหังนเกเงือกก็แสดงว่าเป็นป่าสมบูรณ์แถวบ้านเราเนี่ ว, วามก็มีนะนเกเงือกนกแก้ว น, ốc, นกกระหังที่ไหนมีก็แสดงว่าเป็นป่าสมบูรณ์เมื่อที่ไหนมีเสือนะก็แสดงว่าเป็นป่าที่ยังกว้างใหญ่ยังมีความสมบูรณ์ไม่งันเสือก็อยู่ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความสมบูรณ์ของป่าเมืองกับแมลงก็เป็นเครื่ อ, องวัดความสมบูรณ์หรือว่าความเป็นพิษนะของแม่น้ำหนองปุ้ยเซดาที่ก็ได้มาดูกันเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรน ะ, ะปีหน้าก็คงจะได้มาเยี่ยมมาเยือนบ้มมานปึกงงแล้วคงจะได้มาเชิญชวนให้บุคคลได้มาดูมาสํารวจมาทำความรู้จักลำปาง ธรรมญาตาเนี่ก็ทํามาสิบเจ็ปีแล้วนะปีที่เป็นที่สิบเจ็ดตอนที่เริ่มปีแรกเนี่ยผมก็เขียนท่านก็เป็นผู้ริเริ่มนะปีสี่สามเพราะว่าท่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็มันก็เราแล้วคนที่เป็นเป็นผู้ทําผู้แจยก็คงจะเห็นนะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะจากานกั้นมันเป็นหลังมูนนะสี่สิบปีที่แล้วนะหรือห้าสิบปีที่แล้ว ปูนงกนี่ก็เป็มไปด้ป่าช้างก็ยังมีเสือก็ยังมีพวกเราเราขึ้นมาเพื่อมาหาร้างสามคงจะได้มีที่ทำกินมาจากหลายที่หลายทางจากเพชรชมวนก็มีจากโคราชก็หลายจากชาย้ยภูมิจากอุดรมาก็มาฝากชีวิตไว้บนหลังเขาก็ หักลางทางคมจนกระทั่งมีที่ทำไร่จะมีเงินมีทองสามารถจะปลูกบ้านแต่เดิมก็บ้านหลังเล็กๆอยู่ไปนานๆก็บ้านหลังก็ใหญ่ขึ้นดี๋ยวนี้หลายบ้านนี่ก็สร้างเลยอีกนะเทปูนมีกระจกนะมีรลังคายอย่างดีบ้านใหญ่ขึ้น แขงแรงแน่นนามากขึ้นอันนี้ก็เพราะว่าได้อา ศ, าศาัออยเกิดจากธรรมชาติจากป่าจากรังด้วย <c oughs> เลี้ยงดูเรา <c oughs> เปรียบเหมือนแม่ น, นะธรรมชาติที่เปรียบเหมือนแม่เลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่มีฐานะบางคนก็รัวงเยเพราะว่าสายธรรมชาตินี่แหละ จึงเปลี่ยนธรรมชาติเป็กแม่คนที่สองแต่ว่าแม่คนที่สองนี่นะก็กำลังเจ็บป่วยเจ็บป่วยมากๆทีเดียวแล้วเราซึ่งเป็นลูกเนี่ยโตขึ้นนะั้นเวลาเราโ ต, โตขึ้นโตขึ้นแม่เราก็แก่ชราร้องป่วยเราก็ดูแลแม่อันนี้คือแม่ที่เป็นคนนะแต่ว่าแม่ที่เป็นธรรมชาติก็อย่าละทิ้ง น, นะอย่าอันหลังให้ต้อง ดูแลรักษาให้ดีอันนี้แหละจึงเรียกสมเป็นชาวพุทธจงเีสมเป็นคนมีคุณธรรมมีความตั้งอยู่นล้วก็โอเมว่ อ, ก, อวกี้ก็พัฒนาไปแล้วนะจากนี้ไปก็ให้เราพิจารณา